หากชาก็คงหมดหวังเผายัางนี่และการที่ฉันมีส่งอมยิ้มให้เธอทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมีความหมายนิดเดียวแต่ก็ชื่นใจส่งความรักให้เธอมากมายมอบให้เธอไปทั้งหัวใจส่งให้เธอถึงเธอไม่สนใจ ได้เพียงส่งให้กันแค่นั้นก็พอไม่เสียใจยังไงก็รู้ดีสิ่งนี้มันมีความหมายแทนความรักยิ่งใหญ่ที่ฉันมีส่งงมยิ้มให้เธอทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมีความหมายนิดเดียวใด้กับชื่นจัจ ความรักที่เธอมากมายมอบให้เไปทั้งหัวใจส่งให้เธอส่งผมยิ้มให้เธอทั้งวานทั้งเบลียวมีความหมายนิดเดียวได้ก็ชื่นใจส่งความรักที่เธอมากมายมอบใหจะไปทั้งหัวใจส่ง ส่งหมยิ้มให้เธอทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมีความหมายนิดเดียวแต่ก็ชื่นใจส่งความรักให่เธอมากมายมอบให้เธอไปทั้งหัวใจส่งให้เธอส่งหมยิ้มให้เธอทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมีความหมายนิดเดียวแต่ก็ชื่นใจส่งความรักให่เธอมากมายมอบให้เธอไปทั้งหัวใจส่งให้